ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าในความลกสุขเกลียดทุกนี้ประโยชน์ก็มีเยอะนะแต่โทษก็มีมากนะแล้วมันก็เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์กับผู้คนรวมทั้งพวกเราทั้งหลายในที่นี้ด้วยที่คนเราเกลียดทุกเนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่าทุกเนี่ยมันมันไม่ดีนะมันมีแต่ข้อเสีย ทจริงเนี่ยทุกก็มีข้อดีนะไม่ใช่น้อยเลยนะเช่นเดียวกับความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงเนี่ยเรามักจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะชีวิตของเราเนี่ยพอไม่เที่ยงเนี่ยก็คือตายนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเราอยู่ได้ก็เพราะความไม่เที่ยงเหมือนกันนะเป็นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งเนี่ยเราจึงมีชีวิตนะ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยที่มันเข้าออกเ <stuffed> <PowerPoint S 2> ข้าออกนี่ก็ไม่เที่ยงนะมันเป็นตัวแสดงถึงความไม่เที่ยงความไม่หยุดนิง่งถ้าหายใจเข้านะไม่หายใจออกก็ตายนะหายใจออก à, ไม่หายใจเข้าก็ตายหัวใจเราก็เหมือนกันนะถ้าหัวใจเรานิ่งเนี่ยก็คือตายแต่พอหัวใจเราเต้นนะเราจึงมีชีวิตอยู่การที่หัวใจนะมันมีการเต้นตลอดเวลานี่ก็เป็นความไม่เที่ยงอย่างหนึ่งนะ และความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละนะที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยแล้วความทุกข์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันความยากลำบากก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะแต่เมื่อเราเจอความยากลำบากเนี่ยมันจะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นความยากจนก็ทำให้เรารู้จักพึ่งตัวเองพึ่งนําพักน้าแรงของตัวเอง แล้วก็รู้จักขวนขวายนะไม่ประมาทคนเราจะมีสุขภาพดีได้ก็ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายเนี่ยมันก็เหนื่อยนะก็คือความทุกข์อย่างหนึ่งแต่พอทุกข์เนี่ยถึงทำให้เรามีสุขภาพดีน ะ, ะถ้ารักสบายมากเนี่ยไม่ออกกำลังกายเลยเอาแต่นั่งน่ ง, น, งนอนๆทํทำงานก็นั่งจะเพลิดเพลินสนุกสนานก็นั่งคือดูโทรทัศน์ ด, ดูวิดีโอ นั่งก้มนะเล่นแชทเล่นไลน์แล้วก็ปากก็กินไปปากกินนะตาก็มองจอนิ้วก็จิ้มออกกำลังกายแค่ใช้นิ้วเท่านั้นแหละสองสมนิ้วนะอันนี้ก็คือชีวิตที่สะดวกสบายนะแต่ว่ามันทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดความเจ็บป่วยในภายหลังแล้วก็เป็นกันมากนะโรคหัวใจโรคนะความดันนะ มุกเบาหวานสารพัดเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จัก เ, เข้าไปทำให้ชีดนี่มันมีความทุกข์บ้างนะคือออกกำลังกายขยับแข้งขยับขานะแทนที่จะนั่งรถก็เดินบ้างนะแทนที่จะนั่งขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นบันไดเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ทุกข์ทั้งนั้นนะแต่มันมีประโยชน์มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ทางโลกเท่านั้นนะมันมีประโยชน์ทางธรรมด้วย ทุกเนี่ยมันสามารถจะผลักคนให้เข้าหาธรรมได้เพราะถ้าไม่เจอทุกเนี่ยก็คงจะยังหลงวนอยู่กับความสุขแบบโลกโลกในสายพุทธกาลเนี่ยมีมีตัวอย่างคนที่เข้าหาธรรมเพราะว่าทกทุกเนี่ยผลักเยอะมากเลยยังมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อราธะเนี่ยตอนหนุ่มก็สุขสบายดีนะมีครอบครัวพอแกแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกไม่เลี้ยงนะ รู้ไม่เอาใจใส่เรียกว่าลูกทิ้งเลยก็ว่าได้แ้วก็เสียใจนะไม่มีทางไปนะก็เลยอยากจะบวชแต่ว่าไม่มีพระรูปไหนบวชให้พอเห็นว่าอายุมากแล้วนะแก่ชรามากแล้วพระพุทธเจ้าทราบนี่ก็เลยประชุมพระแล้วก็ถามว่าใครที่เคยระลึกถึงบุญคุณนะของราธะบ้างพระไยระบุษก็ บอกว่าเนี่ยจำได้ว่าพระาราธาพราหมณ์เนี่ยเคยให้ข้าวหนึ่งก้อนนก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณ น, นะอ่าเพราะฉะนั้นก็พาษสารีบุตรก็เลยรับเป็นอุปชา์นะแล้วราธาพราหมณ์นี่ก็แม้แก่นะชารานะคิดว่าคงประมาณ 70, ็0บดสิบเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดนะคือคนแก่ในส่วนใหญ่ก็จะดื้อนะไม่ค่อยเชื่อฟังแต่ร า, าพราหมณ์นี่อ่อนน้อมถ่อมตนอาจจะเพราะสานึกนะว่า เราก็เคยนะเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวัดไม่มีแพทย์บรรพชิตนี่เราคงจะแย่ไปแล้วนะเพราะว่าทู่ลูกนี่ไม่เอาเราเลยก็ตั้งใจปฏิบัติจนกทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์นี่ถ้าลูกไม่ทิ้งนะลูกไม่ขับสายนะก็คงไม่มีโอกาสเข้าวัดนะปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอาหารหันต์อีกท่านหนึ่งนะก็เป็นเศรษฐินีนะรวยมากมีลูกอยู่ประมาณมีลูกเจ็ดคนนะ ลูกชายหมดเลยซึ่งกันายถือว่าเป็นโชคดีนะมีลูกชายทั้งนั้นไม่มีลูกหญิงเลยพออายุมากเนี่ยลูกก็ลบเล่าว่าให้แม่ได้แบ่งสมบัติเนี่ยเราก็รับปากว่าแบ่งสมบัติให้ลูกแล้วลูกจะเลี้ยงแม่บอกว่าแบ่งไปจนหมดเลยนะก็ไปอยู่กับลูกคนโตอยู่ลูกก็ลูกคนโตภรรยาของลูกคนโตก็สักพักก็เริ่มจะบ่นว่าเนี่ยว่า วา่ายายเนี่ยนะหรือว่าแม่ผัวเนี่ยมีลูกต้องหลายคนไม่ใช่หรือสมบัติก็ได้เท่าๆกันทำไมต้องม า, ารบกวนเราด้วยพูดอย่างนี้มากมนี่ลูกชายหรือผัวเนี่ยก็เลยบอกกับแม่ว่าเนี่ยน่าจะไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างเธอก็ไปอยู่กับลูกคนที่สองนะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันก็เลยไปอยู่ลูกคนที่สามก็ถูกบ่นถูกว่ามาอยู่ลูกคนที่สี่ห้าหกเจ็ด สุดท้ายไม่มีใครเลี้ยงสักคนเลนะเจ็บใจมากเจ็บช้ำน้ําใจมากนะจากคนที่ร่ารวยนะกลายเป็นยาจกนะไม่มีที่ไปแ ม, แม้แต่ลูกก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนึกถึงวัดนะเลยนึกถึงวัดสมัยนั้นเนี่ยบวชภิกษุณีได้ก็เลยบวชภิกษุณีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจปฏิบัติแต่ก็ยังถูกภิกษุณีที่เป็นพันเต หรือผู้อาวุโสเนี่ยนะใช้งานสารพัดนะเพราะว่าเพราะว่ามีพันสามากกว่าไปช่วยต้มน้ำต้มน้ำในในครัวทำน้ำร้อนอากาศหนาวนี่นะพิสุณีฉลาดนี่ก็ทำนะตั้งใจมีความเชื่อฟังระหว่างที่รอน้ำเดือกก็เดินตรงกลมนะเดินตรงกลมก็พิจารณานะพิจารณา กายเวทนาจิตธรรมพิจารณาถึงความเป็นธรรมดาของสังขารบากว่าบรรลุธรรมเลยนะเป็นพระอรหันต์ในในครัวเนี่ยนะขณะที่ทำงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าของคนที่เข้าหาธรรมนะเพราะว่าถูกทุกข์ผลักไสถ้าไม่ถูกลูกทิ้งนะก็คงจะไม่บรรลุธรรมรก็คงจะอยู่นะกับลูก แล้วก็เลี้ยงหลานก็มีความสุขแบบโลกโลกนะเราก็ต้องเจอทุกข์ในที่สุดเพราะว่าต่อต่อไปลู ก, กอาจจะตายหลานก็ จ, จะตายหรือตัวเองก็ จ, จะล้มป่วยแต่นี่เพราะว่าถูกทุกถูกลูกผักใสนะอันนี้เราทุกข์ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าก็ทําให้ได้เข้าหาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเรื่องราวแบบนี้เราก็คงจะได้ยินเยอะนะในสมัยของเรานะป่วยเป็นมะเร็ง นะทั้งๆ ท, ที่ประสบความสำเร็จในการงานนะสุดท้ายก็หันเข้าหาวัดเข้าหาการปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงแม้จะไม่บรรลุธรรมนะแต่แว่าก็ได้พบกับความสุขอันประเสริฐยิ่งเป็นความสุขที่ใจนะใจที่สงบใจที่ปล่อยวางนะบางคนก็ถึงกับออกปากว่าเนี่ยขอบคุณมะเร็งนะโชคดีที่เป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งเท่านั้นนะ เศรษฐกิจลม้มเศรษฐกิจวิกฤตนะธุรกิจล้มละลายนะเป็นนี้เป็นสินนะท่วมหัวความรู้มีอยู่เอาตัวไม่รอดนะไม่มีทางไปนะคนแน่ปปฏิบัติธรรมก็พบกับสิ่งประเสริฐนะที่ไม่เคยนึกว่ามันจะมีอยู่ในชีวิตนี้หรือมีอยู่ในโลกนี้นะอันนี้ก็เป็นเพราะทุกนะจึงถูกผลักให้เข้าหาธรรม แล้วคนเรานี่ถ้าสบายและประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จทั้งโลกนะมีเงินทองมีชื่อเสียงมีกิตติยศเนี่ยยากนะที่จะเข้าหาธรรมจนกว่าจะเจอความทุกข์ความทุกข์อาจะเป็นความเครียดก็ได้นะเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับฝรั่งเนี่ยจํานวนมากเนี่ยเจอความทุกข์แบบนี้เลยหันมาสนใจสมาธิภาวนาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เห็นนะักสมาธิภาวนาก็กลายเป็นอ่า เป็นวิธีชีวิอของคนจำนวนไม่น้อยนะในยุโรปและอเมริกาคนหลายสาขาหลายอาชีพโดยพ่อพวกนักบริหารพวกที่ทำงานเกีเ่ยวกับเทคโนโลยพวกนี้นี่ใช้สมองใช้ความคิดมากแล้วก็เครียดแล้วก็ทุกเนะีและทุกนั่นแหละนะที่ทำให้หันมาสนใจสมาธิภาวนาแล้วก็หันมาสนใจธรรมะด้วยพรเจ้าก็ตรัสนะว่าคนเราเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับม้าสประเภท มาประเภทที่แรกเนี่ยคือเป็นม้าที่มีคนขับนะเรียกว่าสารถีเนี่ยเพียงแค่เห็นปะตักเห็นเงาปะตักของสารถีเนี่ยปะตั ก, ก็คือเหล็กแหลมที่เอาไว้ทิ่มเพื่อบังคับมา้าเพียงแค่เห็นเงาของของปะตักเนี่ยบนพื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเภทที่สองเนี่ยต้องโดนแทงก่อนนะแต่ว่าแทงเบาเบนะ มันก็ถึงจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อประเภทที่สามนต้องโดนแทงไปถึงเนื้อแทงไปถึงหนังเลยนะถึงรู้ว่าจะต้องทำอะไรประเภทที่สี่ต้องโดนแทงไปถึงเนื้อเลยนะเรียกว่าเลือดซิบๆเลยเนี่ยมันถึงจะรู้นะว่าจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนสีประเภทก็เช่นเดียวกันนะประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายได้ข่าวว่ามีคนตา ย, นยในบ้านนั้นบ้านนี้ ก็เกิดความสังเวชสังเวชในที่นี้ไม่ได้มาถึงความสลดหดหูนะแต่หมาถึงความตื่นตัวว่าโอ้สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนกันเพราะนันต้องรีบปฏิบัติธรรมแล้วประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายต่อนหน้าก่นเห็นคนตายเนี่ยอาจจะเป็นศพแล้วก็ได้ก็เกิดความสังเวชเกิดความตื่นตัวนะที่จะเข้าหาวัดปฏิบัติธรรมประเภ ท, ทสาเนี่ยคนใกล้ตัวนะตายนยถึงค่อยตื่นตัว เข้าหาธรรมะประเภทที่สี่เนี่ยความตายมาใกล้ตัวเนี่ยเช่นป่วยหนักถึงค่อยนะนึกถึงธรรมะนะเข้าหาธรรมอเห็เนได้ว่าเนี่ยทั้งสี่ประเภทเนี่ยนะก็รู้แล้วแล้วแต่ว่าเข้าหาธรรมเพราะว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวผลัก เ, เพียงแต่ว่าจะเป็นทุกขแบบไหนนะคนฉลาดนี่ก็เจอทุกแบบเบาๆ ก, ก, ก็รู้แล้วนะ ว่าควรจะทําอะไรประเภทที่สีนี้หนักหน่อยต้องเจอทุกประเภทหนักๆนะสามสี่ต้องเจอทุกประเภทหนักๆนะ เ, เ, เนี่ยเรียกว่าฟูมไฟลนะ์ถึงค่อยเข้าหาธรรมะแต่ทั้งหมดนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นเพราะทุกนะที่งจะชาสิททัศน์นี่ก็ทุกน ะ, ะทุกถึงต้องอสล ะ, ะทิ้งวังออกบวชเพราะรู้ว่าชีวิตในวังเนี่ย มันไม่สามารถจะช่วยทำให้หายทุกข์ได้าการทำชไนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดกับเราได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำธรรมดาธรรมดานะแต่เป็นนะความคิดคำหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกันนะเมื่อเจอความทุกข์ทั้งที่สบายกายนะแต่ทุกข์ใจทุกข์ใจที่ต้องรู้ว่าที่รู้ว่าตัวเองสักวันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะถ้าไม่เจอความทุกข์ แบบนี้ก็ไม่มีทางที่จะทิ้งวังนะทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียเนะี่ยออกบวชได้ทุกข์มีประโยชน์นะทุกเนี่ยมันผลักให้เราเข้าหาธรรมะได้แล้วก็พบของดีของวิเศษในที่สุดขะเดียวการทุกข์นี่ก็สอนธรรมได้ด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ผลักเข้าหาธรรมทุกข์นี่สอนธรรมได้ในศาสนาพุทธการก็มีพระอาหารหันต์หลายรูปนะที่ท่านบรรลุธรรมเพราะทุกข์เจอทุกข์อยู่ เรียกว่าต่อหน้าต่อตาหรือว่าเจอทุกข์กับตัวเองเลยเช่นเจ็บป่วยเนี่ยอย่างพระติสารนี่ก็ป่วยได้โรคร้ายมีแผลผู้พองเต็มตัวน้ำเหลืองไหลจนกระทั่งส่งกลิ่นเหม็นจนกระทั่งพระเพื่อนพระด้วยกันต้องทิ้งดูแลไม่ไหวเลยนอนจบอุตกองอุจระประสวะกลายเป็นว่าทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะทุกข์กายนี่ก็หนักเลยนะเจอทุกข์ใจเข้าไปอีกนะ เืนทิ้งแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไร้ศักดิ์ศรีพระเจ้านี่พอทราบก็เสด็จมาแล้วก็มาช่วยไม่ใช่ยิวยานะพอเยิวยาไม่ได้แล้วก็มาช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวทําความสะอาดร่างกายเอาจีวรไปต้มไปซักก็เริ่มสบายใจหน่อยแต่ว่าทุกขเวทนาก็กําเริบหนักขึ้นกําเริบหนักขึ้นระหว่างนั้นเองเนี่ยพระเจ้าก็แสดงธรรมนะัสั้นๆ น, นะซึ่งเราก็สวดอยู่บ่อยๆนะเป็นส่วนหนึ่งในการ พิจารณาสังขารเนี่ยข้อความก็ว่าอาจีรังวัตย์ังกายโยนะร่างกายนี้ไม่จีรังหนอนะเมื่อบิญยาลัจากล่างแล้วถูกคนทิ้งนะก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินนะเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้คือชี้ให้เลยนะว่าทุกขเนี่ยนะว่าสังขารนี่เป็นทุกมากเลยเนี่ยไม่งามไม่น่ายึดถือเลยปฏิสารนี้ซึ่งเจอทุกกับตัวเนี่ยเจอทุกกับเวทนาบีบคั้นแล้วก็เห็นเลยนะว่าสังขารนี้มันไม่งามเลย ทุกทั้งนั้นเนี่ยเจอทุกกับตัวเองท่านพิจารณาตามไปด้วยนะที่พู้เจ้าได้ได้ได้ได้กลาาา่าวเป็นคาถาสั้นๆเนี่ยก็เกิดปัญญาขึ้นมาเลยนะเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขงกังอนัตตาพอปัญญาเกิดนะจิต ก, ก็หลุดพ้นนะเป็นพระอาหารหันต์ในชั่วขขณะเดียวกับที่สิ้นลมนะเรียกว่าสิ้นกิเลสพร้อมๆกับสิ้นลมคือถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะแล้วก็ไม่เจอถูกคนทิ้งนะ ก็คงไม่บรรลุธรรมนะใ้ความเจอความป่วยเนี่ยสภาพที่เป็นทุกข์เนี่ยนะมันสอนทำให้เห็นเลยนะเรื่องไตรักแล้วก็มีหลายรายนะที่เจอทุกข์แบบนี้นะบางท่านนี่ก็โดนเสือกัดนะขณะที่ทุดดงเสือกัด น, นี่ก็ปวดนะแต่ระหว่างที่ปวดเนี่ยท่านไม่ได้ท่านก็ใช้สติพิจารณานะให้เห็นเลยนะว่า สังขารนี่มันปวดมากสังขารนี่เป็นทุกข right. ์มากเห็นความปวดนะไม่เป็นผู้ปวดในตอนนั้นเนี่ยเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดพอเห็นความปวดก็คือเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์นี่ปัญญาก็เกิดเลยนะปัญญาจะเคยรับรู้มาแล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ว่าพอเห็นทุกข์กับตัวเองนะเจอทุกข์กับตัวเองนี่ปัญญามันเรียกว่าสว่างโพลงเลยนะแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้ซึ้งแก่ใจจิตก็หลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต ขาปากเสืออันนี้ทุกเนี่ยสอนทำได้ดีไม่ใช่เฉพาะความเจ็ความปวดนะความพัดพราสูญเสียก็ได้มีบางคนนะถึงแม้จะไม่บรรลุธรรมนะแต่ว่าก็ได้ได้ธรรมะนะจากความสูญเสียมากนะน้ําท่วมทรัพย์สมบัติเสียหายไปเยอะแยะแทนที่จะนั่งทําตาปิดหรือว่าเศร้าโศกเสียใจนะก็มาได้คิดว่าเออมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะ ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริงทุกอย่างเป็นของที่มาเพียงแค่ชั่วคราวเข้าใจนะเรื่องอนัตตานะแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจจนถึงที่สุดนะแต่ก็เห็นธรรมเลยนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างนอกจากใจจะไม่ทุกข์เพราะความสูญเสียแล้วนะยังเรียกว่าได้ปัญญานะเป็นกําไรแล้พวกเราเนี่ยชีวิตเรายัง่ยก็เจอทุกข์กันทั้งนั้นนะ เจอทุกวันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกแบบเบาๆพอทนได้แต่ต่อไปก็จะเจอทุกหนักๆนะความเจ็บป่วยความพลาดพลาดสูญเสียเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะลองมองให้ดีนะอย่ า, อาแต่ฟูมฟายอย่ า, อาแต่เสียใจอย่ า, าแต่โกรธเศร้าโศกอันนี้เราทุกฟรีนะแล้วก็ขาดทุนด้วยเพราะว่านอกจากเสียของเสียทรัพย์แล้วเนี่ยใจก็เสียด้วย แล้วก็จะทำให้เสียสุขภาพนะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ป่วยเสียงานเพราะไม่มีสมาธิทำงานเสียเ พ, เพื่อนเพราะว่าโกรธหงุดหงิดนะโวยวายใส่เพื่อนนะอารมณ์บอดจอยนะเพื่อนก็เลยไม่อยากคบหา แ, แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเออเราตั้งสติให้ดีแล้วพิจารณาไอ้สังขารไอ้ความทุกข์ที่เกิดกับเราเนี่ยนะมันจะสอนทำให้กับเราได้ สอนทำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตแล้วรู้จักปล่อยวางบางคนนี่เจอหนักนะอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาสะสวยเป็นดาวมาเทลายและวันหนึ่งก็โดนผู้ชายเนี่ยเอาน้ำกรดสาดหน้าเพราะผู้ชายเนี่ยไปหลงรักเธอแต่เธอก็ไม่ได้มีใจให้ขนาดนั้นเนเป็นแค่เพื่อนเฉยๆผู้ชายกรดเอาน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมเลยนะตาบอดไปข้างหนึ่ง คนที่เคยภูมิใจในหน้าตาของตัวเนี่ยพอถูกทําร้ายแบบนี้เนี่ยอยากตายแต่ว่าก็ในสุดก็ไม่ฆ่าตัวตายนะเพราะว่านึกถึงแม่แต่ก็ขอแม่ย้ายบ้านนะไปอยู่ที่อื่นไม่อยากให้คนที่เคยเห็นเธอซึ่งเคยมีหน้าตาสาสวยเนี่ยกลายเป็นมีหน้าตาแบบนั้นนะก็คงอยู่ได้ความทุกข์นะแต่ว่าไม่นา น, นจิตเธอก็เปลี่ยนนะ กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินั่งรถไฟฟ้าไปทํางานที่ธนาคารเป็นพนักงาน call center ไม่ได้ปิดบางหน้าตาของตัวใครมาทักก็ถามใครมาถามว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่ก็เคยออกได้รับเชิญไป อ, อ, อไรายการโทรทัศน์นเคยมีคนถามถว่าโกรดผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกว่าไม่โกรธเลยเนะที่จริงอยากจะขอบคุณเหตุ ก, การณ์นั้นด้วย เ, ยเหตุ ก, การณ์ที่ถูกนำกรดสาดหน้ว่ามันทําให้เธอเนี่ย ได้คิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นยังไงคิดเป็นผู้ใหญ่คือว่าทําให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยและทําให้ตระหนักว่าความเสื่อมของร่างกายสังขารนี่นะมันเป็นธรรมาดามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่ก็ยังเธอมันเกิดขึ้นเร็วกว่าคนอื่นซึ่งก็ช่วยทําให้รู้จักปล่อยวางนะแต่ก่อนเธอเป็นคนที่ติดยึดมากนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้พอเจอเหตุการณ์นี้มันปล่อยวางดีเยอะเลย ปล่อยวางสังขารปล่อยวางนะเรื่องหน้าตาของตัวเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปอันนี้ก็เรียก ว, ว่านะความทุกข์มันสอนทำนะให้เห็นให้เข้าใจนะเรื่องใจรักนะแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจถึงขั้นนะเกิดปัญญาจนจิตหลุดพ้นนะแต่ก็ช่วยทำให้ใจนี่เบาไปเยอะเธอบอกว่าเนี่ยเวลาใครจะพูดอะไรถึงเธอเนี่ยนินทาอะไรเธอเธอปล่อยวางไม่ถือสา เพราะเรื่องที่หนักกว่านี้ก็ปล่อยวางมาได้แล้วเนี่ยให้เรื่องเล็กน้อยจะจะเป็นทุกข์ไปทําไมนะี่อันนี้เรียกว่าทุกข์สอนทำนะให้เราเนี่ยต้องนะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์แล้วถ้าเราเห็นประโยชน์ของความทุกข์นะให้ความเกลียดทุกข์มันก็จะน้อยลงนะก็สามารถที่จะมองทุกข์นะด้วยความรู้สึกที่ดีดีนี่ก็ไม่ถึงกับหลงไหลนะแต่หมายถึงว่าเมื่อมันมาเราก็ เมื่อมันมาเกิดหรือเกิดขึ้นกับเราเราก็เอามาใช้นะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมซะเลยนะไม่ว่าจะเป็นทุกภายนอกที่เกิดกับร่างกายเกิดกับสิ่งของหรือทุกภายในที่เกิดกับใจมีประโยชน์ทั้งนั้นนะแม้แต่นิวรณ น, นะนิวร์ห่าความาการมาราคะหรือว่าพยาบาทความขุนเคือง ความฟุ้งซ่านอุทจักกุกุจักความลังเลสงสัยมีคําถามพูดขึ้นมาบ่อยๆตลอดเวลาหรือความงงอาหาน้อยพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะมันก็สอนธทำได้เช่นเดียวกับกุศลธรรมอื่นๆนะเพราะว่ามันก็ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเพียงแค่เข้าใจเรื่องนิวรณ์นะเข้าใจนิวรณ์เนี่ยทั้งห้าเนี่ย ก็ถือว่าเห็นธรรมนะในการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยข้อสุดท้ายคือเห็นธรรมในธรรมเนี่ยเห็นธรรมในธรรมเนี่ยข้อนึงก็คือว่าได้เข้าใจเรื่องนิวรณ์ทที่จริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนิวรณ์ทเท่านันาน้นทุกทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจอริยสัจข้อแรกนี่คือทุกนะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่ที่ยังไม่ค่อยรู้กันคือว่ากิจที่ควรทําต่ออริยสัจแต่ละข้อ หรือว่าท่าทีที่ถูกต้องนะเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่ละข้ออันนี้พระเจ้าก็ตัดไว้ถ้าเรื่องกิจจยานนะคือความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่ละข้ออย่างไรเช่นทุกเนี่ยทุกคือสิ่งที่ต้องรู้นะบางคนก็แปลว่ากําหนดรู้นะแต่ว่าเขามารู้นี่น่าจะความหมายดีกว่าทุกเป็นสิ่งต้องรู้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะท่านใช้ว่าปริญญานะ เร า, เาแต่ผักใส่เอาแต่หนีเอาแต่หันหลังให้มันแล้วเราจะรู้ทุกได้อย่างไรนะเราจะเข้าใจทุกได้อย่างไรในะเวลาทุกมาเนี่ยนะก็ถือว่าเข้ามาเพื่อจะสอนเราเพื่อให้เราได้ได้เรียนรู้นะและยังไงเนี่ยมันก็ต้องมาวันอย่างค่ำนะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นนะก็หันหน้ามาเรียนรู้จากมันดีกว่าอันนี้ก็เฉลี่ยวความตายนะซึ่งก็เป็นความทุกข์นะที่ ตัวใหญ่ทีเดียวถ้าเราโธถ้าเรากลวักลวความตายเราเกลียดความตายนี่เราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรามองความตายเป็นมิตรหรือมองว่าความตายนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจมันนะเมื่อเข้าใจมันเห็นประโยชน์ของมันเห็นว่าความตายไม่ใช่วิกฤตแต่เป็นโอกาสนะเป็นนาทีทองด้วยอันนี้อาจารย์พุทธทาสพูดเห็นว่าความตายนี่มันมีพลังที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็ เข้าใจธรรมะเห็นแจ้งในสัจธรรมได้เราก็จะกลัวตายน้อยลงนะแล้วเราก็จะใช้ความตายเนีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทนะให้ไม่ประมาทกับชีวิตให้เล่นข้าหาธรรมะนะอย่างที่ได้ยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะถึงม้าสี่ประเภทนั้นะต้องรู้จักใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์นะอันนี้มันจะทำให้แทนที่เราจะขาดทุนเวลาเจอทุกข์นะเราจะได้กาไรเพียงแค่ ถ้าจะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยน ะ, ะแทนที่จะเอาแต่เสียใจเอาแต่หงุดหงิดนะตั้งหลักมาดูนะว่าเออมันบอกอะไรเรามันสอนอะไรเราอย่างที่พูดเมื่อวานนะหลวงปู่ขาวก็บอกว่าเนี่ยให้มีความอยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกเวลาเจ็บป่วยนี่ก็ใครควรนะสักหน่อยนะว่าเออมันสอนอะไรเราเวลาของหายเงินหายนะก็อย่าเาแต่ฟูมไฟหรืออยาเอาแต่นั่งตาปิดปิ ทำตาเปรบๆก็ยังดีนะดีกว่าฟูมไฟ้นะทำตดเปรียบๆก็ยังดีกว่าฟูมไฟน์แต่ว่าจะดีกว่านะถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณามันสอนอะไรแล้วนะหรือว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราเช่นอาจจะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางสอนให้เราจักปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราก็ทุกคนเราเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางได้ต้องเจอทุกนะเพราะถ้าไม่เจอทุกมันไม่ปล่อยนะอันนี้เนี่ยเป็น เป็นความจริงที่อยากจะพิจารณาคนเราเนี่ยถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยไม่รู้จักปล่อยหรอกนะต่อเมื่อเจอทุกข์มันจึงเห็นความสําคัญขอการปล่อยเพราะถ้าเจอสุขเนี่ยมันมีแต่จะยึดยิ่งเจอสุขเท่าไรยิ่งยึดมากเท่าไรยิ่งสบายมากเท่าไรยิ่งยึดมากเท่านั้นแต่พอร่ว ม, มันทุกข์ร่วมไม่สบายเนี่ยมันอยากจะปล่อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ปล่อยนะปากก็โวยวายว่าทุกข์ทุกทุกนะแต่ว่าใจไม่ปล่อยนะ อันนี้พระเจ้าเคยตรัสนะว่าเปรียบเทียบว่ามีคนจํานวนมากมายเนี่ยวิ่งพลาดแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนขณะที่ในมือนี่ก็ถือคบเพลิงก็มีชายฉลาดนะผู้มีปัญญาก็บอกให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยว่าปล่อยคบไฟสิก็จะหายร้อนไม่มีใครปล่อยสักคนเลยมีน้อยคนที่จะปล่อยมีน้อยคนที่จะปล่อยที่เหลือนี่ก็ยังยึดเอาไว้ นี่ขนาดร้อนนะยังไม่ยอมปล่อยนะต้องให้ร้อนมากกว่า น, นี้นะถึงใจปล่อยนะถ้ามันเย็นสบายนี้ยิ่งยึดเข้าไปใหญ่นะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยมองในแง่นี้บางนะว่าความทุกข์เนี่ยมาสอนนี่เราปล่อยให้วางนะไม่ใช่เอาแต่โฟมไฟล์เสียอกเสียใจกล่นดาชดตากรรมเนี่ยอย่างนั้นขัดทุนอล้วก็ชาญยุปุกัทนินน ะ, ะกราบครบ